ปรุงได้ดังใจปรารถนาจิตของคนเรามันปรุงแต่งได้พระองค์หนึ่งอยู่ที่8ดริ้วกำลังหนุ่มๆ ม, มาเล่าให้ฟังว่ากำหนดจิตไม่สำคัญมั่นหมายในรสอาหารลงผลสุดท้ายกินพริกก็ไม่เผ็ดกินอาหารเหมือนกินขอนดอกมันไม่รู้ถึงรสชาติอะไรเลยพอเสร็จแล้วแกบอกว่ามันไม่อร่อยผมก็เลยหยุด เหมือนกับหลวงปู่เสาเห็ดมันเกิดขึ้นตามวัดบอกให้เนนไปเก็บเนนเก็บเห็ดนี่ไปหมกไฟให้กินเนนก็ไปเก็บได้ถ้วยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเอามาห่อหมกเอาไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็ฉันจนหมดทีเนี้ยไอเจ้าพวกเนนนี่แหละทําห่อหมกเนนห้าถึงหกองตักแจกกันคนละช้อนคนละช้อนฉันอาหารยังไม่อิ่มเลยสลบเหมือดทั้งหกองค์หลวงปู่เสาท่านถามเนนว่า เนมเป็นอะไรเนมเป็นอะไรถามมันรู้ซิว่ามันเป็นอะไรกินเห็ดเบื่อรู้ว่าเห็ดเบื่อทำไมถึงไม่กินละ่ะท่านอาจารย์พากินข้าไม่ได้กินเห็ดเบื่อจะข้ากินเห็ดเบื่อข้าก็เมาตายหลวงปู่ฉันเป็นชามนั่งยิ้มเฉยแต่เนนฉันคนละช้อนฉันข้าวยังไม่อิ่มเลยสลบมือดไปหมดอันนี้จิตของคนเราเนี่ยมันปรุงแต่งได้ จะให้มันแพ้หรือมันชนะมันก็ทาได้